องเครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบองรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัปปฤริ์สังเสวะคือการครบหาสัตบุรุษเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธธรรมมัสวรนณะคือการฟังพระสัทวธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา โยนิสโสมนสิการการมณสิการโดยแยบคายเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรมมปฏิปฏัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาเดละเดละสารีบุตรสาปริสังเสวะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทรธรรมัสวนณะ เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิสโสมนสิการเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธามานุธรรมปฏิปัติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสด า, า, า, ส, ดาสาริบุตรที่เรียกว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8ดคือหนึ่ง สัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมตะห้าสัมมาอาชิวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธินี้แหลเป็นโสดาดีละดีละสารีบุตรอริยมรรคมีองค์แดคือ 1. สัมมาทิฏฐิถึง 8. สมาสมาธินิแลเป็นโสดาสาริบุตรที่เรียกว่าบรลลุโสดาคือใครข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรตมีองค์แปดนี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บัลลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคษอย่างนี้ดีละ ดีละสารีบุตรผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ทุติยสารีปุตตสูตรที่ห้าจบ